Oh. ความทุกข์นี่มันไม่เข้าไข่ออกไข่นะจะเป็นคนยากดีมีจนนะก็เจอทุกข์ได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นพระแม่ชีหรือคารวะนะก็มีสิทธิ์นะเจอทุกข์ได้ทั้งนั้นเด็กผู้ใหญ่คนแก่ความทุกข์นี่มันไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะ เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งคนดีและคนชั่วก็ใช่ว่าจะหนีความทุกข์พ้นนอกจากไม่เข้าใครออกใครแล้วมันยังไม่รู้จักเวล่ำเวลาด้วยเช้าสายบ่ายเ ย, นเนย็นนี้มันไม่สนนะหรือว่าในยามที่จเจริญ ในยามที่ตกอับในยามที่ประสบความสําเร็จนะก็มีสิทธิ์นะเจอความทุกข์หรือว่าในยามที่ตกอับแม้ว่าจะเจอทุกข์หลายทางแล้วบางทีอาจจะเจอทุกข์ใหม่ซ้ําเข้าอีกนะอันนี้เรียกว่ามันไม่มีเวลาเวลาเกิดขึ้นได้ทั้งในยามขาขึ้นในยามขาลง บางทีในวันที่ดูเหมือนจะเป็นวันพิเศษนะเป็นวันที่อะไรๆก็ดูดีไปหมดแต่จูๆเนี่ยก็มันก็นรกแตกนะอย่างตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยเมื่อปีสี่เจ็ดเนี่ยนะโอ้เช้า ว, วันนั้นเนี่ยยี่สธันวานอากาศดีมากเลยนะที่พังงาภูเก็ต เขาหลักนะอากาศดนะีคนก็พึ่งเฉลมิมฉลองคริสต์มาสมาในเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็น่าจดจำแต่จูๆมันก็เหมือนกับนรกแตกกันนะโอกส่วนในมีคลื่นยักษ์ในซัดกระหนำ่ำคนตายนีนกันห้าหกพันคน ในช่วงเวลาไม่นานตนะ้องเอาแนลน้อยไม่ได้นะคาดการไม่ถูกแต่เราก็รู้แน่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกแบบใดก็ตามนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นสองอย่างเนี่ยนะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็วนเวียนอยู่กับตีหเรื่องนี้แหละทรัพย์สินเงินทองบ้างละร่างกายเช่นสุขภาพหรือว่าความสวยความงามความหนุ่มความสมารหรือไม่ก็เรื่องงานการการเรียนหรือความสัมพันธ์พัดพาจากสิ่งที่รักเช่นเงินทองสูญหายคนรักเลิกลากันผู้มีพระคุณ ตายจากกันหรือว่าเจ็บป่วยไอ้เจ็บป่วยนี่มันก็อยู่ในขายนยีประสบกับสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่รักคือความเจ็บความป่วยความต่อว่าดาทออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานการเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ธรรมดานะคนเราก็พยายามที่จะหาทางออกจากทุกข์แต่ไม่ว่าจะหาทางออกอย่างไรก็อย่าลืมนึกถึงธรรมะนะ แลคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงธรรมะเท่าไหร่นะเช่นพอเงินหายนี่ก็จะสนใจแต่ว่านี่จะหาเงินคืนได้ยังไงนะหรือใครเอาไปก็พยายามหาของที่หายไปให้กลับคืนมาบางทีเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาก็ตีโพยตีภายโวยวายทำไมต้องเป็นฉันเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอนะก็คิดแต่ว่าจะ ตอบโต้กลับให้น้ำใจเพราะว่าเราแรงเราก็จะว่าให้แรงกนหนักกว่า น, นั้นก็คิดไปในแง่นี้หรือถ้ากลุ่มอกกลุ่มใจนะก็คิดแต่ว่าจะหาทางดับความกลุ่มได้อย่างไรบางทีก็เข้าไปหาสุรายาเสพติดแต่ไม่ค่อยจนึกถึงธรรมะเท่าไหร่หรือไม่ได้นึกถึงทรทำหรือธรรมะนี้ก็มันก็มีอยู่สองอย่างนะอย่างแรกคือสัจธรรมความไม่เที่ยงความไม่จรัง รวมทั้งความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนึกถึงความจริงหรือศัจรูธรรมอย่างนี้เอาไว้บ้างมันก็จะช่วยทําให้จําทําใจได้ว่าไอ้ความเจ็บป่วยนี่มันก็เป็นเพราะสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงหรือการที่งานการมันไม่สําเร็จไม่เป็นไปดังใจหวังก็เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือว่าทรัพย์สินเงินทองนะมันเกิดสูญเกิดเสียเกิดเสื่อมไป ก็รลกด้เออมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราก็แค่หยิบยืนมาชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในยาณที่ทุกข์มากเนี่ยทีมันนึกไม่ออกนะสัจธรรมอะหรือว่าถึงนึกออกเนี่ยแต่ว่าใจมันมันไม่คล้อยตามด้วยเหตุผละยอมรับนะยอมรับด้วยเหตุผลว่าเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่ใจมันไม่ไม่คล้อยตามมันไม่ยอมรับ แต่ว่าถ้าว่าอย่างน้อยนึกถึงสิ่งที่เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งนะนอกเหนือจากสัจธรรมก็คือคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้หมายความถึงธรรมะที่เป็นคุณนะธรรมะที่เป็นประโยชน์เช่นสติสมาธิขันติความอดทนรวมทั้งการรู้จักปล่อยวางหรือการให้อภัยอ่ถ้ามีถ้านึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ไว้บ้าง แล้วก็เอามาใช้ในยามที่เกิดทุกข์เช่นขณะที่ภูมิไฟล์คร่ำครวนตั้งสติให้ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าจักปล่อยรู้จักวางมัง่งสิ่งที่เสียไปแล้วก็ก็ปล่อยมันไปจากใจ หาใหม่เป็นต้นเนี่ยหรือว่าใครเข้ามาต่อว่าด่าท้อแทนที่จะโต้กลับด่ากลับอ่ะก็ให้อภัยเข้าไปซะมันก็ทำให้ความทุกข์เบาบางลงอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมตัวเองอย่างเช่นถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ย ถ้าว่าเราไม่มีสติหรือว่าไม่เอาธรรมะมาใช้เนี่ยในการปรับใจของตัวเองมันก็กลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองนะคือแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียกก็ป่วยใจด้วยแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์มันก็เสียใจเสียสติก็มีแล้วก็ผ่านให้เสียองอื่นตามมาเช่นเสียสุขภาพเพราะ กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเสื่อมโซมงานการก็ทำไม่ได้เสียงานก็ผิดบางทีเสียเพื่อนด้วยนะเพราะไปทะเลาะกับเพื่อนอารมณ์ไม่ดีเขาพูดไม่ถูกหู ก, ก็ด่าเขากลับเขาตั้งใจจะหยอกจะเยา้าแต่เราไม่มีอารมณ์นะเพราะกำลังเศร้ากาลังโศกกลังหงุดหงิดกนะ็ด่ า, ดากลับนะทะเลาะเบาแวงกันเสียเพื่อนอีก อาจารย์ที่จะเสียแค่ทรัพย์เนี่ยก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์บางทีเสียผู้เสียคนตามอีกนะเพราะว่าขาดสติเนีย่ยเราซ้ำเติมตัวเองด้วยวิธีนีด้วยการที่ไม่รู้จักนำเอาธรรมะมาใช้อย่างน้อยก็ให้มีสติเอาไว้ นะหรือว่าถ้าทำได้มากว่านั้นก็ปล่อยวางไปก็ไม่ใช่เลืองง่ายนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราลึกถึงธรรมะเราธรรมะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือคุณธรรมอย่างน้นอยๆก็ไม่ก็ไม่ซ้าเติมตัวเองหรืออาจจะดีกว่านัา้นนะคือว่ามันทาให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา ถ้าซ้ำเติมตัวเองนี่บางทีทุกข์มันคูณสเลยนะป่วยกายไม่พอป่วยใจเนี่ยนะทุกข์คูณสามเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจให้ดีด้วยคุณธรรมหรือด้วยสัจธรรมความทุกข์มันก็ลดลงนะทุกข์ก็หาร3หรือว่ามีสติขึ้นมามีสมาธิรู้จักรักษาใจ ให้มีสมาธิมันก็สงบเย็นความเจ็บป่วยทางกายก็ทุเลาเบาบางนนแล้นี้เราว่าหนักกลายเป็นเบาทุกข์นี่มันก็หายสามเ่อะยิ่งกว่านั้นนะดียิ่งกว่านั้นคือว่าลายกลายเป็นดีนะก็คือว่าสามารถจะหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์ของความทุกข์ได้อย่างเช่นบางคนก็เห็นธรรมนะ จากทุกที่เกิดขึ้นออทรัพย์สมบัติที่มันไม่ใช่ของเราเลยนะวันดีคืนดีมันก็ถ้าไม่มีคนเอาไปไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมมันมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถ้าไม่เจอความสูญเสียมันก็ไม่เห็นทรรมหรือบางคนก็เห็นเลยนะเออเจ็บป่วยนี่มันก็ทำให้เรารู้เลยนะว่าสังขารที่ไม่ใช่ของเรา หรือมาเตือนให้เราตระหนักถึงความเจ็บป่วยที่จะรุนแรงมากขึ้นนะอันนี้มันเป็นแค่สัญญาณเตือนนะวันนี้ก็แค่ล้มหมอนนอนเสื่อเพราะว่าเป็นไข้แต่วันหน้านี่อาจจะพิกลพิการเลยก็ได้หรือว่าติดเตียงเลยนะล้มหมอนนอนเสือเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่วันแต่ถ้าไม่เแล้วใจนะ ไม่เอาความเจ็บป่วยมาสอนใจเนยยังหักโหมทุ่มเทแถมยังปล่อยใจะให้เครียดเนะี่ยยืดเยอะเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่แค่ล้มหมอนนอนเสือนะมันจะแค่มันจะกลายเป็นติดเตียงไปเลยพิกลพิการหรือว่าป่วยหนักอันนี้ก็เรียกว่านะความเจ็ป่วยมาเป็นครูสอนเรา หรือบางทีเห็นยิ่งอันนั้นเราสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเลยอย่างที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเนี่ยความเจ็บปวยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารบางคนนะตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยช่วยลาบากมากเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยดูแลใจใสเรียกว่าทิ้งครอบครัวไปเลยเพราะว่าไปหลงติดเมียน้อย พอให้แม่นี่ต้องเลี้ยงดูลูกๆหลายคนลูกก็แทบจะต้องหาชอกินคํามเลยก็ว่าได้เรียนหนังสือไม่พอต้องหาเงินขายของขายลอตเตอรี่เพื่อได้มีเงินมาประทังชีวิตมีข้าวกินครบสามมือ้อแถมมีเงินไปเรียนหนังสือด้วยว่าช่วยลำบากนะ ต้องหาเงินมาส่งเสียตัวเองส่งเสียน้องนะตั้งแต่เป็นนักเรียนเข้ามาเท่าลรยก็ยังต้องหาเงินผลิตของมาขายเสื้อยืดเข็มขัดรองเท้าเนี่ยมาขายแต่ตอหลังก็มีทักษะนะมีความสามารถในทางธุรกิจมากขึ้น จกนกระทั่งสามารถจะเป็นเจ้าของจัจ ก, การระดับร้อยล้านทีเดียวชีวิตที่ผ่านไปก็ทำให้เกิดความเห็นใจนะแล้วก็เกิดการให้อภัยผู้ที่เป็นพ่อพอให้อภัยพู้เป็นพ่อนะนอกจากจะไม่เกิดความโกรธแค้นแล้วกลับกลายเป็นขอบคุณนี่นะขอบคุณที่ พ่อทำให้เรามีวันนี้นะตอนพ่อจะตายนี่ก็บอกกราบพ่อนะกราบอกพ่อนะ่ว่าเป็นพ่อป้านะผมจึงมีวันนี้นะวันนี้ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นพ่อป้าทําให้ผมได้เกิดมาแต่เป็นพ่อป้าเนี่ยเป็นแบบเนี่ยทำให้ผมเนี่ยต้องรู้จักพึ่งตัวเอง พึ่งลำแข้งของตัวเองจนกระทั่งมีความเข้มแข็งมีประสบการณ์จนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ยากในวัยเด็กเพราะว่าพ่อไม่สนใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นของดีนะอันนี้เราว่าเห็นประโยชน์จากทุกขเห็นประโยชน์จากความลความยากลำบาก ที่เกิดจากพ่อซึ่งแม่เอาใจใส่อันนี้มันก็เป็นเพราะทำนะในความทุกเนี่ยนะเมื่อรู้จักให้อภัยพ่อนะมันก็เห็นว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหกว่าเอาธรรมะหลืวนึกถึงธรรมะนะในยามทุกเนี่ย มันจะช่วยลดทอนความทุกข์แล้วมันช่วยทำให้ได้ประโยชน์จากทุกข์ด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเรื่องการนึกถึงธรรมะเนี่ยนะมันไม่ควรจะนึกถึงเฉพาะในยามทุกข์นะในยามสุขนี่ก็ต้องก็ควรจะนึกถึงธรรมะด้วยอย่าคิดแต่นึกถึงธรรมะนะเวลาทุกข์เนะี่ยหรือเข้าหาธรรมเฉพาะเวลาทุกข์ ในยามสุขนี่ก็ต้องนึกถึงธรรมะด้วยเหมือนกันเวลาประสบความสําเร็จเวลาได้รับคาชื่นชมสรรเสริญเวลาชีวิตเนี่ยกำลังจเจริญรุ่งเรืองควรจะนึกถึงธรรมะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมนะหรือว่าคุณธรรมอย่างที่ว่าสัจธรรมก็คือว่าเอออะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะวันนี้ขึ้นนะพรุ่งนี้อาจจะลงก็ได้ เวลาใครชื่นชมสรรเสริญเราก็อย่าไปหลงเพลิดเพลินกับคำชื่นชมนั้นพูะุทธเจ้าอยู่เคยตรัสสอนพระนันทิยะนะพระนันทิยะนี่ภายหลังก็เป็นพระอรหันต์ตรัสสอนว่ายังไงนะตรัสสอนว่าเนี่ยผู้ใดนะเมื่อผู้ใดสรรเสริญเดินยอหรือบูชาเราด้วยสักการะ ให้จงถือว่าเนี่ยชื่อเสียงและสักการะเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีหรือเป็นเพราะคนอื่นสำคัญว่าเราดีว่าจะเป็นคำเตือนที่มีประโยชน์นะนนเวลาคนชื่นชมสรรเสริญเราหรือว่ามีคนเอาราบสักการะมาให้เนี่ยถ้าไม่รู้อยากพิจารณานะ มันก็จะเกิดความสําคัญตัวอกูเก่งกูดีแต่พระเจ้าตัดสอนพระนันทียว่าเนี่ยให้ถือว่าเนี่ยอันนี้เป็นผลแห่งความดีนะหรือเป็นพราะเข้าสําคัญว่าเราเราดีคือจริงๆเนี่ยเราออจะไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเข้าไปคิดว่าเราดีนั่นถ้าไปคิดว่าเราดีเราวิเศษนเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดกิเลสเกิดมานนะมันทําให้ไปขยายอัตตา แต่ถ้ามองว่ามันเป็นผลแห่งความดีเนี่ยมันก็ทำให้ขยันในการที่จะทำความดีมากขึ้นผู้ายคือว่ายกนะยกความสำเร็จให้เป็นให้เป็นเรื่องของความดีไปไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะความดีหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเพราะเขาสำคัญว่าหรือเขานึกว่าเราดีจริงเราก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอก แต่เขาคิดว่าเราดีนะเขาก็เลยสรรเสริญยนยอแล้วก็บูชาด้วยราชกาลนะถ้ามันช่วยลดนะความหลงตัวได้นะมันทำให้ไม่ลืมตนยิ่ง ก, กว่านั้นนะผู้ใจยังตัดสอนพระนันเอียว่าเนี่ยผลแห่งความดีนะย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้น จนกลายเป็นประมาทโมเมาโดยแท้เนี่ยคือนะถ้าไม่พิจารณาหรือถ้าไปหลงยินดีในผลแห่งความดีคือชื่อเสียงสารเสริญลาบสักการะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพิษนะกลายเป็นโทษแก่ผู้นั้นทำให้เกิดการลงไหล ย, ยึดติดแล้วก็ประมาทอันนี้คือธรรมะข้อหนึ่งนะที่พึงระ ล, ลึกนึกถึงอยู่เสมอนะในยามสุข มันจะได้ไม่ไปเพิดเพลินหรือประมาทโมาหลมทั้งสุขอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่สุขเพราะได้รับคำสรรเสริญหรือว่ามีคนชื่นชมเอาลาบสักการะมาให้สุขเพราะการมีสุขภาพดีนี่ก็สำคัญนะสุขเพราะมีกาลังวังชาเนื่องจากเป็นหมุนเป็นสาวสุขเพราะไม่มีโรคนะอันนี้ก็ก็ต้องนึกถึง ธรรมะเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวน่าๆก็เราลึกว่าเออมันไม่เที่ยงนะสังขารร่างกายเนี่ยวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ก็เจ็บป่วยอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามคนที่มีการวางชามีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าอย่างเป็นวัยกลางคนเนี่ย เขาเพลิดในความสุขแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยไอ้สุขที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของชั่วคราววันนี้มีกำลังชาวันนี้มีความสดชื่นเบิกบานแต่วันหน้ามันก็อาจจะเป็นตรงข้าม เ, เจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยคนจะไม่น้อยเลย ก็จมอยู่ความทุกข์นะโดยพอป่วยด้วยโรคร้ายป่วยจะต้องนอนติดเตียงเนี่ยไอตอนที่ไม่ป่วยตอนที่มีกําลังวังชานี่ก็อยากจะมีอายุยืนถึงหมื่นปีแต่พอป่วยด้วยโรคร้ายนี่อยากตายทุกวันเลยเพราะว่าทุกขเวทนาบีบคั้นหรือพอ ร, รู้สึกว่า ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไอ้เงินทองที่หามาได้นี่บางครั้งก็ไม่สามารถจะช่วยเยียวยารักษาโรคที่เป็นได้แล้วคนส่วนใหญ่นะก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์เพราะการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยแต่ถ้าว่าในยามที่เราสุขเนี่ยเรานึกถึงธรรมะนึกถึงความไม่เที่ยง อย่างน้อยมันก็เป็นการเตรียมใจเอาไว้เผื่อใจเอาไว้ก่อนแต่จะดียิ่งกว่า น, นั้นนะถ้าหากว่าไม่ใช่แค่เผื่อใจไว้เท่านั้นนะแต่ว่ามีการฝึกใจด้วยฝุกใจให้มีสติฝุกใจให้มีความรู้สึกตัวฝุกใจให้มีปัญญามีสมาธิพอถึงเวลาที่จะป่วยแบบนั้นเนี่ยนะเออยา แม้จะเอาไม่อยู่หมออาจจะช่วยไม่ได้นะแต่ว่าจิต ท, ที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่มันช่วยได้มันสามารถทำให้ตอนหนักว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยมันแค่ทุกข์กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์หรือทำให้เห็นชัดเลยนะว่า ม, มันเป็นแต่กายที่ทุกข์นะแต่กูไม่ได้ทุกข์ด้วยอย่างที่อาจารย์กาพลเนี่ยท่านพิการ แต่ว่าไม่ได้ทุกขกับความพิการเพราะว่าไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการนะแต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วยทันทีที่เห็นธรรมเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเนี่ยจิตหล่อจากความทุกข์เลยเพราะว่าเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราพิการไม่ใช่กูพิการนะมันแค่กายพิการพอเห็นนั่นชัดแนละ้วมันไม่มีกูที่พิการเนี่ยจิตมันออกจากความทุกข์เลย แม้เราจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่นิยามพี่เจ็บป่วยเนี่ยถ้าจิตฝึกเอาไว้ดีมันช่วยได้นะช่วยทำให้ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์บางครั้งเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้แนละ้วแต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมนะอยู่กับความรู้สึกตัว ชีวิตของคนทุกวันนี้เนี่ยของคนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เตรียมพร้อมให้ไปเผชิญหรือยอมรับความเจ็บความปวดหรือความทุกข์นะที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เลยนะไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยอย่างเดียวนะรวมถึงความพัดพลาดสูญเสียด้วยสูญเสียคนรักสูญเสียของของรักนะช่วงคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เตรียมใจคนผู้คนให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความทุกข์เลย พอเจอความทุกข์อย่างเงี้ยเสียสูญเลยนะบางทีคาตัวตายบางทีก็ซึมเศร้าไปเลยแต่ถ้าว่าเราในยามที่เราสุกเนี่ย เ, เราเรารึกถึงธรรมะไว้บ้างแล้วก็ไม่ได้แค่รึกถึงอย่างเดียวนะแต่ว่าให้เวลาการฝึกด้วยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าตอนที่สุขภาพดีเนี่ยมันฝึกได้เต็มที่มันฝึกได้อย่างเข้มข้นแล้วเห็นผลนะได้ไม่ยาก และผลที่ว่านี่นะมันก็ช่วยรักษาใจในยามที่เจอความทุกข์ซึ่งอย่างที่บอกนะมันมาไม่เป็นเวลามเวลาแล้วก็มันก็ไม่เข้าใครออกใครเมื่อมันเกิดขึ้นนะก็รับมือกับมันได้นะเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียเจ็บป่วยนะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยสูญเสียคนรักนะแต่ว่าก็ไม่เสียศูนย์ วันนี้ในยามสุขเนี่ยก็ต้องนึกถึงธรรมะาไว้นะแล้วก็พยายามฝึกเปรือยธรรมะให้มันสถิตยอยู่ในใจอยู่กันเนื้อกับตัวถึงเวลาที่ทุกเนี่ยมันจะนึกถึงธรรมะแล้วธรรมะมาใช้ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็เห็นผลได้ อ, อย่็นนี้ก็พูดท่านี้นะเอากรับ